อาตุยะกามติมิโนสัญญามนุษยปุเรทาทจัยิงสัพพโตนาพุทธาวิราชารุชปัานทโตน้ำภาเวจัวิจักขราธิรังโมตัสิราทิสุีตววิจสัทจมันตะตุจาโยริกิมาิกาทิโจนัตยนนุโพน ตามปัตตันเตสามัญญาญาวาโลกะรามิรันตุระธิโตปาวะกัมเมสุตัปนิยานายจักะรัมหิจักกุตุภาวะธรรมะจักมุยุจักะระหะกะระติจัจจมะกัคคายาหะก กิจจาอันเยกิจนันททีโยกตุกะรักลทเสสุจารลหะทิโตนาอิติกิิานเปกันด